สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานะครับเราจะเริ่มรอบใหม่ในพระธรรมสุภาษิตนะครับสุภาษิตของโซโลมอนนั้นเป็นสุภาษิตที่อยู่ในพระคัมภีร์เดิมเป็นหนึ่งในวรรณกรรมเป็นประเภทของวรรณกรรมฮีบรูนะครับ พ, พี่น้องครับนี่คือคําอธิษฐานของผมก็คืออยากจะให้พวกเราได้มีโอกาส เรียนรู้จากพระธรรมสุภาษิตตั้งแต่บทที่หนึ่งจนถึงบทที่สามสิบเอดครับเพื่อที่ว่าชีวิตของเรานั้นจะเปลี่ยนแปลงจากประทับนี้เพียงขับโปรดฟังพระเจนาของพระเจ้าสุภาษิตบทที่หนึ่งข้อที่หนึ่งถึงข้อที่หกสุภาษิตของซาโลมอนพระราชาแห่งอิสราเอลโอรสของดาวิดทรงพระราชนิพนธ์ไว้เพื่อให้บรรลุ ป, ปัญญาและมีวิไนเข้าใจถ้อยคําแห่งความรอบรู้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 พระธรรมสุภาษิตนั้นเป็นประเภทของวรรณกรรมที่เป็นข้อเขียนที่เกิดจากการสังเกตนะครับแล้วมารวบรวมเป็นหลักคำสอนเกิดจากสถิติเกิดจากการเฝ้ามองชีวิตเพราะฉะนั้นมันจึงการเป็นการเปรียบเทียบชีวิตของเราและได้หลักการเพื่อนำไปใช้คำว่า p r o เวริรหรือพสุภาษิตนั้น ภาษาฮีบรูคือมาชาวมาชาวนั้นหมายถึงความคล้ายคียงกันสุภาษิตนั้นเปรียบเสมือนกับเป็นรูปถ่ายของชีวิตครับอย่างไรก็ตามรูปถ่ายทุกๆรูปถ่ายนั้นก็ไม่ได้แสดงครอบคลุมทุกๆสิ่งสุภาษิตนั้นก็เหมือนกับรูปถ่ายที่ดีครับซึ่งจะครอบคลุมสิ่งที่เป็นพื้นฐานความจริงของชีวิตเพราะฉะนั้น จึงมีข้อยกเว้นบางอย่างสำหรับสุภาษิตว่าไม่ใช่ร0อยเปอร์เซนต์หรือว่าสิ่งเหล่านั้นไม่เป็นจริงเสมอไปในขณะที่สุภาษิตนั้นเป็นรูปแบบของวรรณกรรมโดยพื้นฐานแตกต่างกับพระสัญญาครับหนึ่งในความผิดพลาดโดยทั่วไปที่คริสเตียนหลายคนทำเมื่อเขาอ่านสุภาษิตก็คือจะถือว่าสุภาษิตนั้นเป็นพระสัญญาไปนะซึ่งไม่ใช่ครับบางสุภาษิตก็อาจจะเป็นพระสัญญาได้ บางสุภาษิตก็เป็นความจริงที่ฉอดคล้องอยู่เสมอแต่เป็นสิ่งสําคัญที่เราจะต้องสามารถแยกแยะสุภาษิตจากพันธะเหยื่ อ, อมานะครับเพราะว่าพระสัญญาเป็นข้อความที่ตรงไปตรงมาของความแน่ใจที่รับรองว่าสิ่งต่างที่เราทําตามนั้นจะได้รับอย่างแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นตนี่คือพันธะเหยื่ยกตัวอย่างเช่นเมื่อเราไว้วางใจในพระเยซูคริสต์เรารับด้วยปากและเชื่อด้วยใจเราก็ จะได้รับความพรอดอย่างแน่นอนอันนี้คือพระสัญญานะครับบางพระสัญญานั้นก็มีเงื่อนไขครับบางพระสัญญาก็ไม่มีเงื่อนไขแต่สุภาษิตและพระสัญญานั้นแตกต่างกันครับถ้อยคําและประเภทของวรรณกรรมนะครับก็แตกต่างกันเพราะฉะนั้นการที่เราจะถือว่าสุภาษิตนั้นเป็นพระสัญญาร้อเซน์จึงเป็นไปไม่ได้นะครับยกตัวอย่างครับถ้าเราขับรถไปตามถนนในชนบทนั้นเห็นเพิงที่ใหญ่ นะและยาวและพร้อมกับถ้อยคําว่าไก่เหนือประตูเนะี่ยพเราขับรถไปนะฮะไกลๆแล้วเห็นเห็นว่านี่ฟาร์มไก่นะครับบางทีเราก็จะสรุปว่ามีไก่อยู่ข้างไหนแต่ถ้าเราเดินออกไปจากรถนะครับแล้วมองไปข้างในเดินไปดูนะครับบางทีเราจะเห็นไก่ที่มีขนสีขาวเป็นรลอยๆรลอ ย, อยๆนะครับแต่ถ้าเพื่อนร่วมทางของคุณได้กล่าวว่าพวกมันไม่ใช่ไก่ไเป็นหมู แล้วก็จะบอกว่าเอ้ยนี่มันบ้าไปแล้วนะครับนั่นคือสิ่งที่คริสเตียนหลายคนทําเมื่อเขาอ่านพระธรรมสุภาษิตเพราะว่าพวกเขาบอกว่าไม่ใช่ไก่นี่เป็นหมูไม่ใช่สุภาษิตนี่เป็นพันสัญญาพี่น้องครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ต้องระวังครับเวลาที่เราอ่านพระวจนะของพระเจ้านะครับในรูปแบบบางรูปแบบนั้นเป็นพันธสัญญาเป็นพันสัญญาบางรูปแบบนั้นเป็นสุภาษิตนะครับ สุภาษิตนั้นก็เป็นการเปรียบเปรยเปรียบเทียบนะครับเป็นลูกถ่ายที่แสดงบางมุมบางจังหวะของชีวิตนั่นเองพี่น้องครับเมื่อเรารู้ในการอ่านพระเจ้าของพระเจ้านะครับในประเภทวรรณกรรมโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งสุภาษิตนั้นเราจะต้องมีหลักอยู่ในใจครับว่าถามตัวเองก่อนครับนี่เป็นพระสัญญาหรือเปล่า และมีพันธะยาแบบเดียวกันนี้อยู่ในพระกัมภีร์ฉบับเต็มอื่นๆไหมนะครับที่ไม่ใช่สุภาษิตอยู่ในพระกัมปีทั้งเล่มไหมเพียงครับบางสุภาษิตนะครับมีความแม่นยําระดับความแม่นยํามากกว่าอีกสุภาษิตหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับทําให้เรานะครับจะต้องรู้จักศาสนาศาสตร์อีกแบบหนึ่งครับเราจะต้องไม่ไม่อ้างพระกัมภีร์ นะครับและเคลมเคลมเป็นพัญญาเห็นไหมครับอันนี้เป็นอันตรายครับเพราะว่าหลายในายคนในยุคนี้นะครับพยายามที่จะดึงข้อความจากข้าพมีนะครับซึ่งไม่ใช่เป็นพระสัญญาและเคลมเป็นพระสัญญานะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีอิท ธ, ธิพลใหญ่หลวงต่อคริสเตียนจำนวนมากครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเขาพยายามชักชวนให้ปฏิบัติต่อสุภาษิตว่าเป็นพะสัญญา ซึ่งมีความล้มเหลวครับเพราะฉะนั้นเวลาที่คนระบุพระกัมพีนะครับอ้างนะครับอ้างเอาเคลมเอานะครับอันนี้ต้องระวังครับพี่น้องครับในเช้าวันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าสุภาษิตบทที่หนึ่งข้อที่หนึ่งถึงข้อที่หกนั้นพูดว่าอย่างไรในพระเจ้าของพระเจ้านะครับได้ระบุว่าผู้แต่งนั้นคือโซโลมอนนะครับ บางตำราหรือบางสายนะครับบางสำนักก็ไม่เชื่อว่าโซโลมอนเป็นคนเขียนทั้งหมดคิดว่าเป็นเพียงแต่บทแรกๆเท่านั้นเองนะครับอย่างไรก็ตามครับคนยิวซึ่งเป็นเจ้าของนะครับเป็นเจ้าของเป็นแหล่งที่มาของพระคัมภีร์เหล่านี้นะครับเขาเชื่อกันนะว่าสุภาษิตนั้นมาจากโซโลมอนเอาละครับพี่น้องครับสุภาษิตนั้นภาษาฮีบรูปแปลว่ามาชาน มาชานั้นจริงๆแล้วคำแปลของเขานะครับนอกจากคำว่าเปรียบเทียบเปรียบเลยนะครับคำแปลของเขาก็คือว่าอีกคำแปลหนึ่งคือว่าปกครองหมายความว่าสุภาษิตนั้นจะช่วยปกครองชีวิตช่วยป้องกันชีวิตของเรานะครับเพราะฉะนั้นการที่เราเข้าใจคำว่าสุภาษิตนั้นถือว่าเป็นคำกล่าวที่ฉลาดนะครับเป็นคำกล่าวที่ฉลาดเป็นคากล่าวที่มีสติปัญญา เพราะฉะนั้นความเชื่อฟังสุภาษิตนั้นนะครับเราก็ต้องเชื่อฟังเราก็ต้องยกย่องและที่สําคัญที่สุดสุภาษิตนั้นเป็นพระวจนะของพระเจ้าครับพระธรรมสุภาษิตนั้นในข้อที่สองถึงข้อที่หกนั้นได้บอกว่ามีสองวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์แรกก็คือศีลธ ร, รรมครับจริยธรรมวัตถุประสงค์ก็คือความความรู้เห็นครับโรงเรียนคริสเตียนหลายหลายโรงนะครับก็เน้นเรื่อง จ, ร, ร, จริยธรรมเน้นเรื่องคุณธรรมเนนเรื่องศีลธรรม นะครับมาก่อนความรู้ในข้อที่สองบอกว่าเพื่อให้บรรลุปัญญาและมีวิเนย์ปัญญานี้มีความหมายครอบคลุมกว้างขวางครับและความหมายหนึ่งก็คือปัญญาทางจริยธรรมปัญญาทางศีลธรรมปัญญาทางคุณธรรมครับนําความรู้เพราะว่าคําว่าปัญญานั้นมาก่อนคําว่าวิเนย์วิเนย์แปลว่าความรู้ครับพี่น้องครับชีวิตของเรานะครับเรา พร้อมหมครับที่เราจะให้คุณธรรมนำความรู้เราจะให้สิ่งที่เป็นจริยธรรมนะครับนำในสิ่งที่เป็นความรู้เป็นความสามารถเป็นปัญญาของเราพื้นฐานของความสำเร็จทางเรื่องราวต่างๆในชีวิตเราจะต้องให้คุณธรรมวางหยวนพื้นฐานวางบนพื้นฐานของคุณธรรมครับพี่น้องครับปัญญานั้น เป็นระเบียบที่แน่นอนสำหรับชีวิตเป็นระเบียบที่ต่อต้านและปกป้องไม่ให้ชีวิตของเรานั้นยุ่งเหยิงและไม่ให้ชีวิตของเรานั้นไปถึงความตายปัญญานั้นไม่สามารถถูกจำกัดนะครับความอย่างเรียบง่ายว่าการประยุกต์ใช้เชิงปฏิบัติของความรู้อีกต่อไปเพราะว่าความอยปัญญานั้นจะต้องผูกพิจารณา ในแนวคิดที่ยอมจำก้นชีวิตทักษะในการดําเนินชีวิตไม่ใช่เป็นความรู้ความสามารถเป็นความชาญฉลาดแต่เป็นทักษะนะครับทางศีลธรรมเพนะครับในเช้าวันนี้นะครับอยากจะให้พี่น้องได้มีโอกาสสํารวจชีวิตของเราเองว่าเราเองนั้นวางชีวิตของเรานั้นอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมวางชีวิตของเรานั้นอยู่บนพื้นฐานชีวิตที่ เชื่อฟังพระจของพระเจ้าหรือเปล่าอาเมน